ก็คือถ้าเป็นสมัยนี้ก็ไม่ลอยน้ำเหมืนะแต่ว่าอยู่ทั้งขยะแทนเอเวลาเวลาที่จะเห็นลนนักษณะนี้มาณสิกานรเอ่อมาณสิกานก่อนคือพระโมคคลานะเป็นผู้ที่เลิท่ทางอภิน ญ, ญาเนี่ยนะโดยเฉพาะที่พระจักขวอภิญยาท่านชํานาญเป็นเอตทักขะเป็นผู้เลิ่ในด้านนี้อยู่แล้วพอท่านเห็นปั๊บท่านยิ้มอ่ะไอ้ยิ้มของท่านยิ้มแปลว่าอะไรยิ้มแปลว่าคติเห็นปานนั้นเราพ้นแล้วหนอ เดี๋ยของเราก็ยิ้มเหมือนกันใช่ไห ม, ย, มไยิ้มว่าเราพ้นหรือยังวัเนี้พวกนี้นะจะเป็นบนรรพบุรุษของเราต่อไปข้างหน้านะถ้าเรายังไม่พ้นจากชาติปีทุกขามาันถ้ายังเกิดอยู่นะพวกาอาจจะได้มาลอยอยู่แถวนี้บ้างมาขอทานอย่างนี้บ้างอะไรบ้างนะก็ยิ้มแต่ว่าไม่ได้สมนัติยิ้มแบบคอแห้งผากหมดเลยออครับพวกนี้จะไม่กลนกันใช่ไหมครับใน พที่ต้องเห็นด้วยที่ไปจักสูกกับพที่ไปเห็นด้วยใจเนี่ยเวลาท่านเดินไปไม่ไม่พรหรือว่าเห็นเทวดาก็เดินเพลินผ่านอยู่แถนี้เปรตก็เดินอยู่คนมนุษย์ก็เดินอยู่ทัไปมันอยู่ที่ท่านมานสิการนะครับมันอยู่ที่ท่านมานสิการว่าท่านประสงค์จะเห็นหรือไม่เนี่ยนะประสงค์จะจะเห็นหรือไม่ถ้าท่านประสงค์จะเห็นนี่ยไม่มีโดยมากนะถ้าระดับพระโมคคลลานะเนี่ยแทบไม่มีอะไรขวางเลยเนี่ยไม่ไม่ประสงค์จะเห็นก็ไม่ประสงค์จะเห็นก็ไม่เห็น ก, ก็ธรรมดาแต่โดยทั่วๆไปท่านจะไม่ค่อยอยู่แบบธรรมดาแบบเราง่ายๆหรอกท่านจะอยู่แบบท่านนะนะอยู่แบบเราก็ธรรมดามากเอาพักสักนิดหนึ่งก่อนนะ เรียนครับเวลามีน้อยครับโดอภิธรรมมัทสังกะหะดีกาเนีคืออภิธรรมมทวาวิภาวินีดีกานี่หน้า50เลยมาต่อจากครั้งที่แล้ว<ม>เพราะว่าจะเรียนแบบระบบตัวเลขเฉยเฉยโดยที่ไม่ฝึกใช้คัมภีร์บ้างก็น่าเสียดายนีควรจะใช้ฝึกใช้คัมภีร์แบบนี้ไปด้วย ทั้งที่แล้วาตามคัมพี์นี้อธิบายอาหตุกะขอภอภัยอธิบายอากุศลวิบากทั้งเจดดวงไปแล้วทีนี้ก็มาที่บายกุศลวิบากบ้างกุศลวิบากที่เป็นอาหตุกะมีอยู่8ดดวงคือจักขูวิญญาณอย่างหนึ่งยันในอภิธรรมมัฏสังกหะอยู่ในหน้าห้ายัน เอภิธรรมสังขหาหน้า5นะที่เป็นอเหตุกะกุศลวิบากมีแปดวงคือจกักขูวิญญาณสหรคตด้วยอุเบกขาโสตวิญญาณก็สหรคตคือประกอบด้วยอุเบกขาคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณก็สหรคตคือประกอบด้วยอุเบกขากายะวิญญาณ น, นั้นสหรคตด้วยสุขคือสหรคตตัวนี้แปลว่าประกอบนะหรือเกิดร่วม สัมปติชนะก็ประกอบร่วมกับอุเบขาสันติรณะก็ประกอบร่วมกับโสมนัสสันติรณะก็ประกอบร่วมกับอุเบขาก็เป็น8ดดวงทีนี้การขยายที่ในคำภีร์ขยายนะคือตัวอภิธรรมสสังขะเป็นตัวตั้งดีกาเป็นคําขยายศัพท์ไหนที่เคยขยายแล้วจะไม่ขยายอีกถือว่ารู้กันเพราะฉะนั้นจะไปขยายศัพท์ที่ไม่เคยขยายเพราะฉะนั้นใน ดีการหน้า50เนี่ยจะอธิบายศัพที่ไม่เคยขยายคือสุ ข, ขสัพท์เนี่ยนะที่ว่าสหระคดด้วยสุขในข้อ5ข้อ5นะที่เป็น อ, อหตุกาปุศลวิบาก ค, คือกายวิญญาณสหระคดด้วยสุขที่นี้ขยายนั้นการขยายก็ขยายสัย์ก่อนเนี่ยนะขยายทั่วๆไปจะเริ่มขยายสยั์ว่าสัพ์นี้มีขอบเขตกว้างขวางขนาดไหนแล้วค่อยอธิบายถึง ที่ที่กำลังจะพูดถึงที่ประสงค์เนี่ยนะทีนี้จึงวิเคราะห์หรือความหมายของสุขขัตสัปสีในนะตรงนี้ว่าธรรมชาติใดย่อมยังกายและจิตให้สบายเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าสุขนะแปลว่าสบายใจสบายจิตนั่นแหละสบายกายสบายจิตนะนะหรือที่ชื่อว่าสุขพระอภิษาว่าขุดหรือทําลายความลําบากกายลําบากจิตหรือชื่อว่าสุขพระอภิษาว่าอันเหล่าสัตว์พึงอดทนได้ง่าย แปล ว, ว่าไม่ต้องอดทนก็อยู่ได้ใช่ไหมถ้าสุขนะแปล ว, ว่าอดทนง่ายรับได้ง่ายยินดีรับเสมอเหมงอนกันแต่แต่ถ้าทุกนี่ตรงนันข้ามบักอดทนได้ยากเหมือนนอาจารย์พวกอื่นกล่าวว่าชื่อว่าสุขเพราะถว่าการให้โอกาสของธรรมชาตินั้นอันสัตว์ทําได้โดยง่ายดังนี้บ้างถ้าใช้งานสบายๆนะใครไม่ไม่รับบ้างใช้ให้ไปทํานะเช่นใช้ให้ไปทําอะไรก็ได้ที่มันสบายนะคนก็ยินดีที่จะทํานะย แต่ถ้าใช้ให้ไปทำในสิ่งที่เป็นทุกข์นนะก็ไม่มีใครอยากกระทำเพราะฉะนั้นคําว่าสุขแปลว่าให้โอกาสที่สัตว์ทำได้ง่ายเนี่ยนะอะไรที่ก่อให้เกิดความสุขนี่แห้ชอบมากมันสรุปว่าสุขมีอยู่สีในคือหนึ่งสบายกายสบายใจสองขุดความลำบากกายลำบากใจสามอดทนง่ายหรือไม่ต้องอดทนอ่ะนะก็สี่ก็ใครก็อยากทาอ่ะนะคือทาได้ง่ายมากขอให้มันได้เกิดความสุขเเอาหมด่ะ ตอนนี้ก็ศัพท์ที่ยังไม่เคยขยายอีกคือสันติรณกุศลวิบากทั้งสองดวงนะว่าถามว่าเพราะเหตุไรสันติรณกุศลวิบากท่านอาจารย์จึงกล่าวไว้สองไม่เหมือนอย่างสันติระณะอกุศลวิบากซึ่งกล่าวเอาไว้อย่างเดียวคําถามนะคาถามที่น่าคิด ถ้ากล่าวแบบดวงจิตทั่วๆไปเขาจะขึ้นอกุศลวิบากเพออหติตกะกุศลวิบากจะมี8นี่ก็จักคขจักคุโสตะ ขานะชิวหากายกายอันนี้สุกแต่ถ้ากายข้างบนนี้ทุกเนี่ยนะอันนี้ก็สัมปติชนะสันติรณะสันติระณะตัวแรกนี่เกิดร่วมกับโสมนัสสันติรณะตัวหลังเกิดร่วมกับอุเบกขาคำถามเขามีว่า ทำไมอากุศลวิบากจึงมีแค่หนึ่งที่กุศลวิบากมีสองเนี่ยนะอานะอากุศลวิบากมีอนิถารมนะโดยอารมณ์ก่อนส่วนโสมณสันตีรณะนี้เกิดร่วมกับอะไรอ่าอติอิทธารมเนี่ยนะ ส่วนอุเบขาสันติรณะเกิดร่วมกับอิอทธะมัชชตารม์นี่นะคืออารมณ์ปานกลางอันนี้เป็นอติ อ, ตอิทธารม์เนี่ยนะแปลว่าหน้าปรารถนาเป็นอย่างมากนี่นนี่คำถามว่าที่กุศลวิบากมีสองที่อกุศลวิบากมีอันเดียวอะ่ะทำไมจึงเป็นอย่างนั้น ทำไมเป็นงั้นคุณวีว่ราบ้ายิ้มเลยฮึ ม, ม <c oughs> ฉเฉลยว่าเพราะมีเวทนาต่างกันนั่นนะคือด้วยอำนาจแห่งคือเวทนาต่างกันเนี่ยนะเลยทำให้เพราะอารมณ์เนี่ยต่างกันเช่นว่าอุเบกขา สันติรณะที่เป็นกุศลวิบากนี้เป็นอิทธารมธรรมธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโสมนัสนี้ก็ต้องเป็นอิทธารม์อย่างอย่างดีเนี่ยนะอันอารมณ์นี่ต่างกันพอตอบอย่างนี้นะเขาก็ไม่ยอมอีกเขาถามต่อไปว่าถามว่าถ้าเช่นนั้นแม้ในสันติรณะอกุศลวิบากก็จะพึงมีความต่างการแห่งเวทนาได้ด้วย อ, น า, อานาจอนิทารมและอนิทมัชตารม ฉเฉลยว่าสันติรณะฝ่ายกุศลวิบากนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะโทมานต์แม้พึงเกิดในอนิถารมเว้นปฏิฆาเสียก็เกิดไม่ได้และเพราะปฏิฆามีสภาพเป็นอกุศลอย่างเดียวจึงไม่เกิดในพวกอัพยยากตะชาติด้วยว่าธรรมชาติที่มีชาติต่างกันย่อมไม่ได้ในธรรมะที่มีชาติต่างกันเพราะฉะนั้นโทมนั์จึงไม่มีในอกุศลวิบากเพราะไม่มีปฏิฆา ที่ควรกล่าวประกอบที่เสมอกับตนเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จึงไม่กล่าวความที่สันติรณะฝ่ายอากุศลวิบากสหรคตด้วยโทมนัตนั้นอันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งความเกิดขึ้นแห่งโทมนัตไม่มีในอนิถารมเพราะอากุศลวิบากเป็นสภาพมีกําลังน้อยเพราะฉะนั้นสันติรณะจึงสหรคตด้วยอุเบกขาอย่างเดียวเปรียบเหมือนบุรุษที่มีกําลังสามบางคน ถูกคนมีกำลังเบียดเบียนเมื่อไม่อาจโตตอบเขาได้ก็จำต้องวางเฉยในบุรุษนั้นฉันั้นนั่นแรละเพราะว่าตัวเองมีกำลังน้อยนะทูกคนอื่นเบียดเบียนก็ต้องจำเป็นต้องเฉยแต่ว่าเหตุผลแรกก่อนจนะไหนเอ ถ้าสันติรณะเนี่ยนะจะเกิดขึ้นที่เป็นอกุศลวิบากสมมุตินะสมมุติว่าจะมะีสันติรณะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอากุศลวิบากขึ้นจะต้องเป็นที่ก่อให้เกิดโทมนัสนะต้องเป็นอารมณ์ที่เลวร้ายมากใช่ไหมจึงจะเกิดร่วมกับอันนี้บวกกับโทมานัตได้ต้องเลวมากว่างั้นเถอะ ทีนี้เมื่อเลวเนี่ยอารมณ์ไม่ดีถามว่าโทมนัตอันนี้มันเป็นชาติอะไรถ้าโทมนัตเวทนานะต้องเป็นอากุศลอย่างเดียวเพราะว่าโทมนัตเนี่ยเว้นจากปฏิฆาแล้วเกิดไม่ได้ น, น, น, น, นะโทมนัตนะที่เป็นโทมนัตเวทนาต้องเกิดร่วมกับปฏิฆาซึ่งปฏิฆาต้องเป็นอากุศลอย่างเดียวแต่โทมนัตที่ต้องเกิดร่วมกับปฏิฆานี้เกิดร่วมกับวิบากได้ไหม ไม่ได้เพราะมันจิตชาติวิบากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นจิตชาติวิบากสันติระณะที่เป็นอกุศลจึงไม่มีเกิดร่วมกับโทมนตสเพราะมันเกิดโคนละชาติทวนอีกครั้งหนึ่งว่าโทมนตสเวทนาต้องเกิดร่วมกับปฏิฆะเท่านั้นถ้าไม่มีปฏิฆะจะไม่เป็นโทมานต์ทีนี้ไอ้โทมนัต้องเกิดร่วมกับปฏิฆะปฏิฆะเกิดในชาติวิบากไม่ได้ เมื่อเกิดไม่ได้ก็ก็เลยมีเฉพาะดวงเดียวเนี่ยน ะ, ะโสมนัสสันอขอไปอุเบขาสันตีรณนะจึงเกิดได้อย่างเดียวจึงไม่สามารถมีโทมนัสเกิดร่วมด้วยในชาติวิบากอันนั้นเพราะเหตุผลในเรื่องชาติเนี่ยนะเพราะปฏิฆานี้เป็นอกุศลโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นอุเบขาที่เป็นอกุศลวิบากจึงมีหนึ่งอันนี้ไหนที่หนึ่งก่อนนะไหนที่หนึ่งเพราะว่ามันคนละชาติกันเกิดร่วมกันไม่ได้หรอก ในที่สองบอกว่ามันมันอ่อนแอมากอ่ะนะมันจะไปมันจะไปโชว์พลังอะไรมากไม่ได้หรอกเพราะมันเหมือนกับเล็กน้อยมันเป็นบุตรเหมือนคนที่อ่อนกําลังอ่ะนะใครมาข่มเหงก็ต้องยอมเข้าหมดอะส่วนโสมนัตเวทนาเนี่ยนะเกิดร่วมกับได้ทั้งสมชาติกุศลอกุศลวิบากและกุศลลชาติอกุศ ล, ล, ช, าศ ล, ลชาติและ พยากตะชาติเกิดร่วมได้หมดเลยโสมนัสจึงไม่เกี่ยงไงเห็นไหมก็ต่างกันโดยชาติแจริงนะถ้าเราศึกษาในตอนแรกๆ ก, ก็บอกอคาอธิบายเหล่านี้จําเป็นด้วยหรือบอกว่าถ้าเราไปคิดเรื่องนี้มากๆๆนะเราจะสงสัยแบบท่านเพราะเมื่อมีคนสงสยัยท่านจึงอธิบายเอาไว้นะของเราไม่เห็นสงสยัยเลยนะเนี่ยนะ ัวลไม่นเกิดคือไม่ได้ทำกิจนำเกิดทำไมไม่ทำปฏิสนธิพวังและจุติทำเฉพาะสันเตีร์หากับอคุะาสันตีรณเนี่ยมันนเกิดเป็นสัตว์ไปเลยมันก็จะเป็นปฏิเลยออนะเธอตัว ถ้ากล่าวโดยกิจนะสันติรณะนี้ทากิจห้าคือปฏิสนธิพวังจุติสันติรณะและก็ตถาลมณะเนี่ยนะส่วนอุเบขาสันติรณะก็ทากิจห้าเหมือนกันแต่เป็นกุศลวิบากส่วนโสมนัสสันติรณะนี้ทากิจสองคือ สันติรณกิจอย่างหนึ่งกับตถารรมนากิจอีกอย่างหนึ่งทีนี้เหตุผลมีอธิบายไว้แต่ว่าจําคําอธิบายไม่ได้แล้วเพราะไม่คิดว่าผู้การจะสงสัยแบบนี้ไนไหนทำไมจึงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเขามีคําอธิบายนะแต่ว่าไม่ได้ไปจํามาเพราะว่านึกไม่ออกว่ามันมีประโยชน์จะมงก็เลยไม่ได้จํา มันแปลกทว่าไอ้ฝอนี่นะไอ้สัตว์ทั้งหลายนี่นะในทุกติภูมิเนี่ยปฏิสนธิด้วยด้วยจิตไ อ, ไอตัวักรรนั้นอุเบกขาสันตินะเทนั้นแแปลกครับตแต่ถ้าสุขติถ้าสุขติภูมินะปฏิสนธิด้วยจิตก้าดวงที่ที่เป็นที่เป็นมนุษย์กับเทวดานะปฏิสนธิด้วยก้าดวงเนี่ยนะ มหาวิบากแปดแล้วก็อุเบกขาสันติรณะหนึ่งแต่อบายนี่มีดวงเดียวเนี่ยนะดวงเดียวก็ถ้าโดยเหตุผลแล้วมันจาเป็นต้องดวงเดียวอยู่แล้วหลายดวงแย่แล้วก็มันเป็นไปไม่ได้สมมติว่าจะเป็นหลายดวงแนละ้วมันจะไปประกอบกับดวงไหนมันจะไปประกอบกับอะไรให้มันเป็นเยอะดวงกว่านั้น <c oughs> เช่นว่าประกอบกับโรมนัตเวทนาสิไม่ได้ก็ต่างชาติไม่ได้เพราะโธมนัตต้องเกิดร่วมกับปฏิฆะ คือจะเอาเหตุผลใดๆมาจับมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องดวงเดียวเนี่ยนะและอย่างหนึ่งเหตุเนี่ยเป็นอกุศลคือเกิดร่วมกวับโลภะโทสะโมหะมันจะไปมีโลภะโทสะโมหะเกิดร่วมได้อย่างไงเนี่ยนะก็เกิดไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ถ้าจะบอกว่าให้ปฏิสนธิหน่าจะโสมณัสก็มันเป็นผลของอกุศลจะไปโสมณัสได้อย่างไงเนี่ยนะมันก็มองในแง่ไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นมหากุศลเนี่ยนะเหตุอย่างไงผลก็เช่น มหากุศล8ดวงเนี่ยนะที่เกิดขึ้นก็มาแบ่งว่าชั้นดีชั้นกลางชั้นเลวเนี่ยนะก็กุศลที่เกิดขึ้นนะชั้นดีชั้นกลางชั้นเลววิบากก็ตามสมควรแก่ชั้นดีชั้นกลางและชั้นชั้นเลวเนี่ยนะมันก็ยังมีวิบากเกรดมาต่ำๆแต่อกุศลนี่เหมาไปเลยแต่ว่าไอ้หนึ่งดวงนั้นเนี่ยนะนำปฏิสุลที่เนี่ยแตกต่างกันใช่ไหมนรกก็มีตั้งหลายร้อยขุมอย่างเงี้นะเกรดก็มีตั้งหลายประเภทเดรชานก็ไม่รู้กี่พัน กี่พันชนิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ไอดวงเดียวแต่ว่าวิจิตเนี่ยนะคำว่าดวงเดียวในที่นี้เนี่ยนะหมายถึงกล่าวถึงว่าอะไรที่มันดูเหมือนกันเช่นว่าหนึ่งโดยเวทนาเหมือนกันสัมปยุต ธ, ธรรมเท่ากันนี่เรียกว่าเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนกันเช่นไก่สิบตัวเนี่ยนะก็ถือว่าติสิบปฏิสนธิแล้วก็มาจากกรรมคนละอย่างด้วย แต่ว่าที่เรามาเรียกกันว่ามันเหมือนกันหนึ่งสัมปยุตธรรมเหมือนกันวัตถุเหมือนกันเท่านั้นเองแต่อารมณ์ไม่เหมือนกันรับอารมณ์ไม่ไม่เหมือนกันคือคือตรงนี้ถ้าผู้ที่สนใจเรื่องวิญญาณวิญญาณที่ที่เจ็ดกสัตวว่าเก้ามามาจากตรงนี้ไงฮะสัตว์ที่มีกายเหมือนกันสัญญาไม่เหมือนกันสัญญาเหมือนกันกายไม่เหมือนกันสัญญาต่างกันอะไรเนี่ยสลับไปสลับมาก็ด้วยด้วยเหตุผลตรงนี้ ถ้าเข้าใจตรงนี้เข้ามาเพราะว่าเข้าใจวิวญญาณทิฏฐิเพราะว่าตาวัดเกาตั ว, ว, ต, วตัวนี้เป็นตัวไปจำแนกเรื่องเรื่องปฏิสนธิที่เกิดในภพต่างๆคือถ้าอย่างที่ผู้การกล่าวเนี่ยนะก็